จะมีการทอดกระถินนะที่วัดป่าสุกโตถ้าตามประเพณีที่ทำกันมาช้านานวันนี้เย็นวันนี้นะก็ชาวบ้านก็จะนิยมนะมาเอากองกระถินมารวมนะในหมู่บ้านเรียกว่าวันโฮมเสร็จแล้วก็มีมหรศพ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอาจจะมีการเลียงต้อนรับนะเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าภาพที่มาเท่ากระถินก็มาจากแดนไกลนะและสมัยก่อนเนี่ยจะมาเท่ากระถินพรุ่งนี้เนี่ยคืนนี้ก็ต้องมาถึงหมู่บ้านแล้วเพราะว่าการคามนาคมก็ไม่ค่อยสะดวกนะต้องมาค้างคืนก่อน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 สนุกสนานรื่นเริงแต่ว่าทางที่นี่นะทำเนียแบบนี้ก็เลิกไปนานแล้วหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้การทอดกระถินเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายท่านคงเห็นว่ามรสรสบนะที่มีก็สิ้นเปลืองแล้วก็ บางครั้งนะก็มีพวกเล่าพวกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นไปทั่วนะเวลามีทอดพระป่าทอดกระถิ่นนะโดยเพพาะถ้าหากว่าเจ้าภาพนี่มาจากที่ไกลนะสิ่งที่เอามาเลี้ยงต้อนรับก็มักจะหนีไม่พ้นนะพวกเลาแล้วมันก็แพร่ระบาดนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ากินเล่ากันในหมู่บ้านที่เข้ามา นะถึงในวัดเลยส่วนหนึ่งนะเจ้าบ้านก็อยากจะเลี้ยงดูปู่เสือให้ดีนะอาคารตุ ก, กาก็เรียกร้องนะอยากมีเหล้าอยากมีเบียร์นะเจ้าบ้านก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามนะเพราะว่าจะได้เป็นธรรมเนียมนะของเจ้าบ้านนะต้องเลี้ยงดูต้อนรับอย่างดีแล้ว จ, จะเพราะความเกรงใจด้วยเพราะเขา้า usaha เอาเงินมายนะิงถ้าเป็น พวข้าราชการเนี่ยนะจากในเมืองก็ต้องเลี้ยงดูกันแบบนั้นแหละให้การทําเนี่ยมการต้อนรับนะอากาตุ ก, กะของคนไทยนี่ก็มีชื่ออยู่แล้วนะสมัยที่มาทอดพระป่าที่วัดภูเขาทองเมื่อปีสองสามเนี่ยสองสามนี่มันก็สามสิบห้าปีแล้วนะหลายคนในที่นี้ยังไม่เกิดตอนนั้นก็มาทอดพระป่าข้าวนะเพื่อหาทุนสนับสนุน สากลข้าของหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อว่าให้จัดแบบง่ายๆนะหลวงพ่อท่านก็เห็นดีด้วยแต่ว่าชาวบ้านนะก็ยังอยากจะหาอะไรมาต้อนรับก็เลยปณิปน อ, นอมเช่นมหรศกก็แทนที่เป็นหมอรำนะก็เป็นให้ชาวบ้านมารําพื้นบ้านนะมาต้อนรับคนณะพระป่าซึ่งมาจากกรุงเทพนะ ก็เป็นการต้อนรับด้วยศิลปะพื้นบ้านนะมันก็ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมส่วนหมอรศบที่เป็นฉายหนังกลางแปลงหรือว่าลิเกหมอรำนะก็เปลี่ยนเป็นฉายสไล่นะฉายสไล่นมนพระมาเอาสไลสนุกสนุกธรรมะเนี่ยมาพระท่านก็เก่งนะท่านก็สามารถที่จะคุยนะเอาภาพนิ่งมาเล่าให้สนุกได้ นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการไกล่เกลี่ยนะเป็นการไกล่เกลี่ยเพราะว่าชาวบ้านก็อยากจะต้อนรับขับสู้นะต้องมีมหาวิศวพต้องมีการละเล่นฟ้อนรำนะก็ทําให้มันง่ายๆซะก็เป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายนะที่จริงเขาชาวบ้านตั้งใจจะล้มบัวล้มควายด้วยเพราะว่าคณะพระป่าจากกรุงเทพเนี่ยนานปีที่หวนจะขึ้นมาแล้วก็นี่ก็เป็นคณะใหญ่นะ ก็จะเลี้ยงก็จะล้มหัวล้มควายนะก็เลยบอกชาวบ้านไปเลยว่าขอกินอาหารมังสวิรัตนะตัดปัญหาแนละ้วเรื่องล้มหัวล้มควายชาวบ้านก็ทํำมังสวิรัตไม่เป็นนะก็ใช้ไข่นี่แหละนะไข่นี่เต็มที่เลยนะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็น ม, มีแต่ไข่ไข่ไข่แต่ว่าคนที่มาก็ก็ยินดีนะเพราะว่าได้ขึ้นมาบนหลังเขาก็เป็นบรรยากาศที่แปลกแล้วก็ได้มีส่วนได้ทําบุญสนับสนุน กิจกรรมของหลวงพ่อเราก็ได้บุญไปด้วยพระป่าคราวนั้นก็ต้องใช้เวลา3วันจุเดียวนะเดินทาง1วันไปกลับก็2วันแล้วก็มีเวลาอยู่วัดประมาณวันวันหนึ่งกับ2คืนเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีถนนขึ้นมาบนหลังเขาต้องเดินขึ้นมาปีนขึ้นมาตอนหลังหลวงพ่อท่านก็ก็พยายามปฏิรูปเรื่อง การจัดภนะาพป่ากระถินนะจนกระทั่งไม่ต้องมีอะไรเลยนะก็ไม่ต้องมีการต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะเจ้าภาพก็มากับแบบเงียบๆนะจำได้ตอนที่จำภรษาแรกในปี 2.6 เจ้าภาพมาแค่2คนหนึ่งนะเป็นโยมผู้หญิงโยมก็มาไปพบหลวงพ่อนะที่กรุงเทพแล้วก็ถามว่าถ้าจะเป็นเจ้าภาพ ที่พระปาสุกโตหลวงพ่อจะอนุญาตไหมแล้วเขาก็ออกตัวว่าเงินเนี่ยคงยังไม่มากนะก็ประมาณ 20,000 ที่ออกตัวเช่นนั้นก็เพราะว่าหลายวัดเนี่ยนะจะมีการเลือกนะว่าจะให้อยากจะให้ใครมาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าวัดหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งนะมีกระถินได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็กระถินเนี่ยก็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 โยมวันนี้ก็เลยออกตัวไว้ก่อนว่ามีเงินไม่มากนะแค่สองมืนนะหลวงพ่อท่านก็ไม่ปฏิเสธท่านถือว่าใครมีเจตนานะมีจิตศรัทธาก็มาเลยเงินนี่ไม่มีความสําคัญนะขอเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะโยมก็มากันสองคนนะมีโยมกับแม่ ก็ทุลักทุเลนะเพราะว่าฝนตกด้วยทางก็แฉะขึ้นมาถึงนี่ก็ค่าแล้วก็ไม่มีพิธีอะไรนะมานอนที่วัดนะตอนที่สาระไก่สมัยนั้นสาระไก่ก็ทําแบบง่ายๆก็มีผู้ใหญ่บ้านมาเฝ้านะคอยคล้ายๆว่าเป็นการคุ้มกันนะให้ความปลอดภัยแล้ววันลุงขึ้นก็ทอดนะก็จบนะเป็นไปอย่างง่ายๆเรียบๆนะ ไม่มีมหรสศพไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะก็เป็นในเรื่องพิติกรรมเท่าที่จําเป็นนะสำหรับาการท่อกระถิน่นเรื่องพิติกรรมเรื่องาศาสนพิธีแรงต่างเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนนั่นก็พยายามที่จะตัดเรื่องมหรสศพเรื่องแรงต่างทิ้งไปนะเพราะท่านเห็นว่า1มันฟุมฟ่มเฟือยนะสมันพาให้คนหลงไปได้นะเพราะว่า ท่านอยากจะให้ที่นี่นะั้นเป็นที่ที่สงบสงัดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะมหารศพก็ยิ่งจะแทบจะไม่จําเป็นเลยได้ซ้ําเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็สนุกกันทุกวันอยู่แล้วมีมหารศพได้เสพเนี่ยทุกวันอยู่แล้วทั้งวันเลยได้ซ้ําไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านตื่นขึ้นมาก็ไม่มีวิธยวไม่มีโทรทัศน์ตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็ไปทํานาไปทําไปไร่นะ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 ก็จะเป็นโอกาสให้เพิ่มเติมสีสันขึ้นมาในชีวิตของชาวบ้านก็มีหมอลาศ์นะมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านนี่ไม่น่าเบื่อนะมีสีสันจากหมอลาศแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่ว่าที่ไหนในหมู่บ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เปิดโทรทัศน์แล้วตั้งแต่หโมงเช้ามีโทรทัศน์เนี่ยเปิดได้ทั้งวันแล ที่เปิดนี่ก็เป็นเรื่องความบันเทิงนะแล้วเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ก็มีหลายช่องไม่ใช่แต่โทรทัศนะ์นี่มีคาราโอเกะนะบางบ้างก็เปิดคาราโอเกะส่งเสียงดังร้นะองเพลงไปไร่นะก็มีวิทยุซานซิสเตอร์ติดไปกลับมาบ้านก็มีโทรทัศน์ ด, ดูดูยจนดึกนะบางทีก็ดูวิดีโอนะดูแผ่นซีดี เรียกว่าความบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องหายากเลยมันกลับมีมากนะมีมากจนเกินความจําเป็นเพราะฉะนั้นยิ่งไม่จําเป็นนะทีะ่พิธีกรรมอย่างทอดพระป่าทอดกระถิ่นนี่มันจะมีความบันเทิงเข้ามาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าที่คนสมัยก่อนเนี่ยเอาความบันเทิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอกิจกรรมทางาศาสนาเนี่ยนะ ก็เพราะว่ามันมีเงื่อนไขนะอย่างที่ว่าชีวิตของชาวบ้านคน่อนข้างจะเรียบนะจอุอาจจะเรียกว่าจืดชืดไปเลยนะเพราะนั้นก็ต้องมีมหรสศบ้างเป็นครั้งคราวก็อาศัยช่วงมีเทศกาลงานเกี่ยวกับาศาสนานี่แหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่หายากเนี่ยมันไม่ใช่ความบันเทิงเริงรมมันไม่ใช่สีสันของชีวิตสิ่งที่หายากคือความสงบ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 ความมันเถิงก็มาถึงตัวทันทีแต่สิ่งที่หายไปก็คือความสงบนันะาการที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะได้เริ่มตั้งแต่แรกนะว่างานก็ถินงานผ้าป่า น, นี่ไม่ต้องมีหมระศพอะไรนะในหมู่บ้านหรือรวมทั้งในวัดก็ใช้เวลานะในการที่จ ะ, ะทำให้ชาวบ้านยอมรับเรื่องนี้พอสมัยก่อนเนี่ยยังจำได้ ปู่ขาวทองนี่ยังมีวิกฤิเกเลยนะมันมีวิกฤิเกชาวบ้านก็อยากให้มีลิเกมีหมอราอยู่ในจัดในในลานวัดเลยนะและพอมีหมอรำนะมีการลเล่นนะเล่าก็เข้ามาเล่าก็เข้ามาหลวงพ่อท่านบอกว่าในตอนสมัยที่มาอยู่ไปปู่ขาวทองใหม่ๆเนี่ยประมาณปี2องศนเนี่ยงานแรกๆที่ต้องทําคือการขน ขวดเหล้าออกจากวัดเนี่ยเป็นร้อยๆเลยเป็นร้อยๆขวดเอาเหล้ามากินกันในวัดเลยนะเนี่ยทั้งที่วัดนี่ก็น่าจะเข้มงวดเรื่องศีลหก็คุยกับชาวบ้านอยู่นานนะจกนกระทั่งอตอนหลังชาวบ้านก็อยอมรับนะที่นี่ก็เหมือนกันนะชาวบ้านก็เข้าใจแล้วตอนหลังนะว่าไอ้มหมอระสอบต่างๆก็ไม่จําเป็นละ ถึงวันทอดกระถินก็มาเลยนะและสมัยนี้เจ้าภาพเนี่ยนะก็สามารถจะเดินทางตั้งแต่เช้าได้ไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเจ้าภาพจากกรุงเทพจะมาทอด น, นี่ก็ต้องมาถึงวัดก่อนวันหนึ่งนะเพราะว่าการคมนาคมไม่สะดวกอย่างที่เล่าก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายปีนะจะมาทอดกระถินนี่ต้องมานอนวัดอยู่คืนหนึ่งนะวันลุ้งถึงทอดได้แต่เดี๋ยวนี้นะ เจ้าพราไม่ต้องมานอนลเดินทางจากกรุงเทพแต่เช้าเลยตี4นะมาถึงนี่นะก็ทอดได้นะหลังเพนหรือบางทีก็ก่อนเพได้ซ้าแต่ผู้หลงยังไม่ได้นะผู้หลงยังต้องไปค้างนะผู้หลงนี่ต้องไปค้างก่อนนะไม่มีประเภทว่าเดินทางแต่เช้าแล้วมาทอดอันนี้ยากมากนะก็มีบ้างนะแต่น้อยนะปกติต้องมาค้างเพราะว่าการคมนาคมมันลบากกว่าที่นี่นะ พอสมควรทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วสิ่งที่ขาดหายไปนะสมัยนี้นะแม้กระทั่งใ น, ในบูบ้าคือความสงบนะความสงบนะหลวงพ่อท่านก็ชืเลอเห็นการไกลก็ได้นะสุกโตนี่ก็มีสิ่งที่ผู้คนเนี่ยหาได้ยากนะจากที่อื่นนั่นก็คือความเงียบสงบนะความเป็นวัดป่าที่มีธรรมชาติ นะเป็นหลักเมื่อามาวัดป่าสุกโตเนี่ยก็จะได้สิ่งที่หาได้ยากนะจากภายนอกนะ ค, ค, ค, คือความสงบนะแต่ว่าหลวงพ่อท่านต้องการให้เราได้มากกว่า น, นั้นนะไม่ใช่ความสงบเพราะไม่มีเสียงรบกวนนะในความสงบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวนะเพราะว่าพอไปข้างนอกนะเจอเสียงดัง มากระแทกกระทันก็จิตใจก็ว้าวุ่นนะเอาความสงบที่หลวงพ่อนะอยากจะให้พวกเราได้รับนะก็คือความสงบใจนะแม้วา่าสิ่งว่าล้อมมันจะไม่เป็นใจก็ตามนะหลายคนเนี่ยนะจะสงบได้ก็ต่อเมื่อสิ่งว่าล้อมเป็นใจนะเป็นใจคือไม่มีเสียงดังนะไม่มีคนพูดผิดหูนะ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 แบบนี้นะคนที่ทำสมาธิแล้วก็ติดความสงบนะหลับตานะอยู่ในห้องแอร์สงบก็มีความสุขแต่พอออกจากห้องปฏิบัตินะไปเจอสิ่งที่กระทบใจสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ระเบิดได้นะอย่างที่เคยเล่าแล้วนะคนมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนั่งปฏิบัติรม นะอยู่ในห้องเย็นห้องประชุมที่ติดแอร์มีความสงบนะเวลาเดินจงกลมก็ใจก็สงบนั่งก็สงบแต่ว่าพอถึงเวลากลับบ้านจะขึ้นรถจะขับรถเห็นรถเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนนะโมโหเลยนะตะโกนด่าเลยนะสะบัดเลยนะความสงบมันแตกกระจุยไปทันทีนะพอเห็น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 ติดบ้านก็ไม่ดีนะติดบ้านนี่นะจะ อ, อกจากบ้านก็ก็ไม่อยากออกออกแล้วก็หงุดหงิดลังคาญ่นะติดวัดก็เหมือนกันนะติดวัดนี่ก็ไม่อยากออกไปไหนนะงนั้นก็ต้องหาทางงัดแงะนะงัดแงะออกมาแต่งัดแงะเนี่ยสิ่งที่สามารถคืองัดแงะสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยความติดที่มันเกิดขึ้นในใจต้องงัดแงะออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยพระในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมนะออกทุดงนะออกทุดงเนี่ยนะเพื่อไม่ให้ติดสถานที่ให้อยู่นานๆมันติดนะติดที่ติดถิ่นติดกุฏินะก็ต้องออกไปทุดงนะบางคนก็ติดความสบายนะพ อ, อ, อไปทุดงเนี่ยออกทุดงก็ไปอยู่ป่ามันก็ได้ฝึกนะให้จิตใจเชี่ยวชาญชํานาญนะในการ ปล่อยวางนะมีอะไรมากระทบนะก็ปล่อยได้ไม่ยึดไม่เก็บไม่ติดเอาไว้นะขึ้นชื่อว่าการยึดติดเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วมันทำให้ความทุกข์เนี่ยมันความทุกข์ใจนะที่เราสอนมาอสักครู่เนี่ยนะท่านก็บอกนะว่าการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนะ การทิ้งของหนักเป็นความสุดแล้วก็ไม่จับฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนะนี่สําคัญนะหลายคนทิ้งโนนทิ้งอะไรต่ออะไรอาจจะทิ้งความสะดวกสบายจากบ้านจากเมืองมาอยู่วัดแต่ว่าก็ไปฉวยเอาความสงบมามาแบกเอาไว้ก็ได้นะนี้ต้องระวัง ผู้จัดตัดว่าเนี่ยสลัดทิ้งของหนักหลงเส็จแล้วก็อย่าไปหยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกบางทีความสงบมันก็เป็นของหนักได้เหมือนกันนะพอขึ้นชั่วแบกแล้วเนี่ยไม่ว่าแบกอะไรมันหนักทั้งนั้นแก้วเนี่ยแก้วที่ไม่มีน้ําเลยเนี่ยเราถือไว้เนี่ยเราถือไว้เนี่ยทีแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอถือไว้สักหนาทีเนี่ยนะมันเริ่มหนักแล้วถ้าถือไว้สินาทีเนี่ยมือก็เริ่มสั่นละ ขนาดเพียงแก้วเปล่าๆนะใสมัยหนึ่งนะสมัยที่สมเด็จพระมาสมสมเด็จพระสัมพราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานในวงศ์เป็นเจ้าวาดวัดบวรนะท่านเนี่ยเป็นอุปัชาของในหลวงอปัจจุบันแล้วก็เป็นอุปัชาของสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชนที่จะมีการาพระพระพราชทานเพลิงศพเนี่ยนะ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 กระดาษแผ่นเดียวมันจะลาบากอะไรแต่พอหนาทีผ่านไปท่านก็ยังไม่เสด็จกลับมา10นาทีผ่านไปท่านก็ยังนะไม่เสด็จมือเนี่ยนะที่ถือกระดาษเนี่ยซึ่งทีแรกมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หนักอะไรเลยเนี่ยเริ่มแล้วนะมือเริ่มสัน่นลนะกระดาษที่เบาๆนี่มันกลายเป็นหนัก15นาทีผ่านไปคนนี้นะเริ่มเมื่อยเหงื่อเริ่มออก มือนิสันเลยบอกว่าสักพักนะท่านก็เสร็จกลับมาแล้วก็ถามเป็นยังไงนายคนนี้บอกอหนักครับผมหนักจนแทบจะถือไม่ไหวแล้วสมเด็จ ก, ก็เลยถาก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้ามันหนัก ง, งั้นก็วางลงเสียนะถือไว้ยอย่างงั้นเนี่ยนะมันจะไม่หนักได้อย่างไรนอไอ้คนนั้นนี่ได้สติเลยนะได้สติเลยไอ้ที่พูดพูดมาปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าหนักหนักหนั ก, นกเนี่ยนะ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 นั่นขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าแบกแล้วเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเนี่ยถ้าแบกไว้นานๆถือไว้นานๆเนี่ยมันหนักทั้งนั้นความสงบก็เหมือนกันนะความสงบพอไปติดพอไปยึดมันเข้าเนี่ยนะมันก็กลายเป็นของหนักได้โดยพาเวลาที่ไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มันไม่สงบขึ้นมานะก็จะโหยหาก็จะเกิดความหุดเกิดปฏิกะเกิดความขัดเคืองขึ้นมาอันนี้เป็นโลกเป็นโทษของความยึดติดนะ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 ถึงคนที่เราไม่ชอบถึงการกระทําที่เอาเปรียบเบียดเบียเนเราใจมันโกรธขึ้นมาทันทีนะอันนี้เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วนะผัสสะนี่มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลวความเฉพาะว่าตาเห็นรูปหูได้ยิเสียงอย่างเดียวนะแม้ว่าการคิดขึ้นมานและใจไปรับรู้การคิดนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วแล้วพอเกิดผัสสะแล้วปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่า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 อยากจะให้เขานะสัรเสริญเรานะพอมันกลายเป็นตรงข้ามเนี่ยนะมันไม่ตรงกับสิ่งที่ยดึดที่อยากก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราต้องรู้จักนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีความสงบที่มันมีความสงบที่ดีกว่าความสงัดของสิ่งแวดล้อมนะก็คือความสงบที่ใจและความสงบที่ใจนี่จะให้ใครทำให้ก็ไม่ได้นะจะให้คนอื่นเข้ามา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 เอาละาคำนี่พูด ก, กับทนนี้เอากรับฮะ